ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين رواء พวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลเลาะห์ก็จงให้พวกเขานําหุ้นส่วนของพวกเขามาหาพวกเขาพูดจริงยอมะยุกชัฟอันซากิรวะยุดอะอูนอิลา อัส-สุญูด ฟะลายัสตะตีอูนวันที่น่าแข่งจะถูกเปิด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 نكيدي لمتين لكاد يروين وقتاً لهم حقيقة عبء الخاص قوي جدا ام تسالهم اجرا ام تسالهم اجرا فهم ممن مغرم مثقلون رواء انت تطلب مني مقابل منهم لذلك هم يحملون عبء ثقيل لأنهم مدينون الغيب هم يخفون หรือว่าพวกเขารู้สิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาก็บันทึกเอาไว้รัสบิดลิฮกมิร็อบบิกวะลาตันกะซาฮิบิลฮูติอินาดาวะฮุวะมักซูมดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อข้อที่ขาดของพระผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลาขณะที่เค้าวิงวอนเค้าอยู่ในสภาพที่ประทมทุกข์ลาลา داركهو نعمتهم من ربه لنبذ بالعراء وهو และส่งให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีวะอียะกาดุลละดีนกัฟะรูลัยซลิกูนกะบิอับซาริฮิมลัมมาซะมิอุลซิกเราะวะยะกูลูนอินนะฮูละมัจญูนและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องเขม็งไปยังเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆวะมาฮุวะอิลลาซิกรูลิลอาลามีนตาลกุรานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก